สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะ1ิและธาตุสิบเจสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสสภาวธรรมที่วิปยุจจากปรามาสเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วตรงเคราะห์เข้ากันได้กับขันห้าอายตนะสิและธาตุสิ ส่งเคราะห์เข้าไม่ได้กับขนันอายตนะระธาต์เท่าไรไม่มีขนันอาญาตนะระธาต์เหล่าไหนที่จะส่งเคราะห์เข้าไม่ได้132สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาส สงเคราะห์เข้าได้กับขันทอายตนะ2และธาตุสิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเครา rim, ะห์เข้าไม่ได้133สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปารมาสสภาวธรรมที่วิปยุตจากปารมาและไม่เป็นอารมณ์ของปารมา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 อายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่า ไ, ไ 1, า 10, ส ร, า ร, ร, ร, ร, าราไสงเคร า, 4, า 2, ะห์ะเข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและธาตุสิบหก้สาสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้สงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร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 หนึสภาวธรรมที่เป็นจิตสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุเสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สอายตนะ11และธาตุ1ิบเอสสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันธ์แล้วสงเคราะห์ เข้าได้กับขน 4, ันสี่อายตนะ1ิและธาตุ1ิบเสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขนันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขน 1, ันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุเจ39สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกสภาวธรรมที่สัมพยุ ด, ด้วยจิตสภาวธรรมที่ปรากฏกับจิตสงเคราะ์เข้าได้กับขน 3, ันสามอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง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 อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันส์ 3, แต่ไม่มีอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้141สสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตสภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะ11และธาตุส1อ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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะ1ิและธาตุสิบเจสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอาญตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะ11และธาตุสิบเจ่งร้อยสภาวธรรมที <Upon>. ่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสภาวธรรมที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตสภาวธรรมที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิต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 อายตนะสองและธาตุแปดหนึ่งห้าสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสาและธาตุเสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้า ไม่ได้กับอายตนะเและธาตุเก้าสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือสงเคราะห์เข้ากับขันห้าได้อายตนะ1ิและธาตุสิได้สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้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 จะสงเคราะ์เข้าไม่ได้แต่ตรงเคราะห์เข้าไม่ได้กับอายตนะหและธาตุิ153่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวธรรมทีいい่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 4, อายตนะ 11, และาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสอายตนะสิบเอและธาตุสิบเจ็หนึ่งร้อยห้าสิบสี่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองสภาวะธรรมที่วิปยุจจากกิเลสเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้ว สงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิ 12, และธาตุสิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้155สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสแต่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 สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่สัมพยุด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อยายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะ10และธาตุสิบหกสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก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 159. สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันหอายตนะสและธาตุส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 ไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์ AU เข้าไม่ได้กับธาตุหนึ่งหนึสภาวธรรมที่มีปีติสภาวธรรมที่สหฤกษ์ด้วยปีติสงเคราะห์ AU เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์ AU เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร่สงเคราะห์ AU เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะ10และธาตุสิ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 164สภาวธรรมที่ถหรคตด้วยสุขสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะสองและธาตุสสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิและธาตุสิบ6 5สภาวธรรมที่ถหรคตด้วยอุเบกขาสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะสองและธาตุเ สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนาและาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนา10และาธาตุ1 1บ6อสภาวธรรมที่ไม่สหรคตรด้วยอุเบกขาเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนา12และาธาตุสิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนาและาธาตุเท่าไร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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและธาตุสิบหกสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุสอง สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอาญตนะและาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและาธาตุสิบสกหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์สภาวธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สงเคราะห์เข้าได้กับขัน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 บัศนิเทศที่หนึ่งจบ